ทำสิ่งที่ดีสิ่งที่ประเสริฐนั่นคือการสร้างความเจริญงอกงาม ใ, ให้กัให้แก่ติดใจในขณะที่ผู้คนจานวนมากเนี่ยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยการแสวงหาความสนุกสนานรื่นเริเรงหลายคนเลือกที่จะมาบำเพ็ญภาวนามาเข้าวัดปฏิบัติธรรมเจริญสติซึ่งก็เป็น ทั้งการบำรุงรักษาใจแล้วก็เป็นการซ่อมใจไปในตัวด้วยแล้วขณะเดียวกันก็เป็นการพักใจไปพร้อมๆกันมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่เราจะเลือกใช้โอกาสที่พิเศษนี้เนี่ยมาเจริญภาวนากันไม่ว่าที่นี่หรือว่าที่ไหนก็ตามเพราะว่า เสียงเรียกร้องภายในส่วนหนึ่งนะมันก็อยากจะให้เราได้ไปแสวงหาความสนุกหาความรื่นเริงกินบ้างเที่ยวบ้างเล่นบ้างหรือว่าทั้งสามอย่างเลยเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งที่จริงก็เป็นสิ่งที่พวกเราได้ทากันมาตั้งแต่เด็กๆนะเพราะมันเป็น ข่านิยมหรือว่าเป็นแบบปฏิบัตินะของสังคมของชาวโลกนะแต่ว่าพวกเราก็ได้เลือกที่จะมาทำสิ่งที่สนองกับความต้องการส่วนลึกของจิตใจนะที่ใยดีที่แสวงหาปรารถนาความสงบซึ่งเป็นความสุขที่ประเสริฐ แล้วเราก็จะพบว่าแม้ไม่สนุกนะก็สุขได้นะคนไปเข้าใจว่าเนี่ยจะสุขได้มันก็ต้องสนุกแต่บ่อยครั้งเนี่ยนะสนุกเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้สุขอย่างแท้จริงอาจจะสุขชั่วคราวนะแล้วก็มีทุกตามมาอย่างน้อ ย, อยก็ร่างกายก็เหนื่อยล้านะ บางทีจิตใจก็พลอยได้รับพิษภัยจากความสนุกที่ว่าก็ได้เดี๋ยวว่าความสนุกที่อาศัยอบาย ม, มุกอาศัยการกระตุ้นเราจิตใจจกนกระทั่งเกิดความโลภเกิดราคะเกิดตัณหาเพราะว่าปรารถนาสิ่งเสพ มันมีความสุขที่ดีกว่าความสนุกนะ น, นั่นคือความสงบหรือว่าความตื่นรู้นะที่ทำให้ใจเบิกบานที่หลายคนมาใช้เวลาเนะฉลิมฉลองนะส่งท้ายปีเกา่าส่งท้ายปีเก่าตรรับปีใหม่เนี่ยนั้นะด้วยการมาอยู่กับตัวเอง มาเรียนรูนะ้ดูใจของตัวเองเพื่อให้สติจะเลยงอกงามนะเพื่อให้ความสึกตัวนะเต็มรอบอันนี้ก็น่าช่วยทำให้เราได้พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสุขที่ดีกว่าคือความสงบนะความเบิกบาน ที่ออกมาจากภายในไม่ใช่เพราะว่ามีสิ่งเร้าจากภายนอกมากระตุน้นบางคนอาจจะได้พบภาวะที่ว่าเนี่ยไม่ได้บ่อยมักไม่ได้บ่อยนักในช่วงสีห้าวันที่ผ่านมาแต่เพียงแค่ได้เจอมันแบบประพิมพ์ประพายเนี่ยนะ มันก็น่าช่วยทําให้เราเนี่ยเกิดความตระหนักว่าโอ้เนี่ยนะัคือสิ่งที่ใจเราใฝ่ฝันใจเราปรารถนาเป็นสิ่งที่ส่วนลึกในใจเราเนี่ยเรียกร้องต้องการแต่เราไม่เคยได้ยินไม่เคยรับรู้เลยหรือว่าไม่เคยนึกเลยว่าโอ้มันเป็นสิ่งที่มีอรสชาตินะที่ วิเศษกว่าความสนุกสนานนะจากการเสพนะจากการไปสนองสิ่งเรา้านะตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็ได้ยังไงทำให้เราเกิดความมั่นใจนะว่าเราก็สามารถจะเข้าถึงภาวะเชน่นนี้ได้แม้มันจะเป็นเพียงชั่วครู่ชั่วยามในความมั่นใจนี้สำคัญนะ พบางคนคิดว่าเนีย่ยฉันทำไม่ได้หรอกนะใจฉันไม่ไปทางนี้หรอกนะเรื่องความสงบเรื่องการรู้สึกตัวหรือว่าการที่จะภาวนาให้ได้เกิดผลนะแม้แต่การที่จะยินดีในความสงบนะของธรรมชาตินี่ ฉันก็ไม่เคยรู้ว่าฉันมีนะเคยคิดแต่ว่าเนี่ยโอ้ยจะสุขได้นี่ก็ต้องสนุกอย่างเดียวแต่แท้ที่จริงแล้วนี่แม้กระทั่งอยู่ท่ามกลางความสงบงธรรมชาตินะแม้ในยามที่ยังไม่ได้ปฏิบัติเท่าไหร่เลยนี่มันก็ให้ความรู้สึกที่วิเศษมากให้ความมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยสามารถจะ เข้าถึงภาวะเช่นนั้นได้เนี่ยไม่น้อยไปกว่าหรือไม่ต่างไปจากคนอื่นเนี่ ย, ยมันก็ทำให้เกิดฉันทะแล้วก็เกิดความเพียรมากขึ้นรวมทั้งความมั่นใจในการที่จะให้เวลาให้สำหรับการภาวนาซึ่งไม่จำเป็นต้องมีรูปแบบไม่จำเป็นต้องมาวัด นะแต่ว่าอยู่ที่การรู้จักรักษาใจเนี่ยให้มันอยู่กับปัจจุบันนะมีสติรู้ตัวรู้ทันความคิดและอารมณ์งั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วจับประเด็นตรงนี้ได้นี่เมื่อกลับไปบ้านนะเราก็จะสามารถที่จะ ภาวนาต่อไปได้และนี่คือสิ่งที่เราควรทำด้วยนะหลายคนก็จะต้องกลับไปนะสู่ชีวิตเดิมนะสู่วิถีเก่านะนะที่เคยปฏิบัติมากเกิไปสู่สิ่งแวดล้อมเดิมๆก็ควรที่จ ะ, ะตั้งมั่นหรือตั้งปณิธาน ไว้ในใจว่าเราจะรักษาสติเราจะดูแลจิตใจให้ต่อเนื่องเราจะภาวนาเจริญสติให้มากขึ้นเมื่อเราได้กลับไปสู่ภูมิลำเนาของเรา ถ้าเราตั้งปณิธานอย่างนี้เนี่ยมันก็ถือว่าสมควรแล้วนะสำหรับการต้อนรับปีใหมนะ่เพราะว่าปีใหม่เนี่ยมันควรจะหมายถึงอะไรที่ใหม่นะสำหรับชีวิตและจิตใจของเราด้วยให้ลองตั้งใจหรือกำหนดนะว่าเนี่ยเมื่อเรากลับไปบ้าน กลับไปที่ทำงานเราจะรักษาการภาวนาเอาไว้เราจะหมั่นเจริญสติทำความสึกตัวนะและทำเป็นกิ จ, จวัตรเลยนะทำทุกวันนะไม่ว่าจะเป็นตื่นเช้าหรือว่าก่อนนอน หรือว่าหลังจากเลิกงา น, นั้นถ้าเราตั้งบณิทฐานแบบนี้เนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ชีวิตของเราในปีนี้เนี่ยมันดีขึ้นได้หรือดีกว่าเดิมแม้ว่าโควิดจะยังไม่ทุเลาแม้ว่าความไม่แน่นอนจะยังมีอยู่มากบองคนก็ตั้งใจอย่างนั้นไว้แล้วก็ได้นะเพราะว่ามีความ เข้าใจหรือเห็นคุณค่าของการปฏิบัติมาก่อนแล้วยิ่งมาได้รับผลของการปฏิบัติระหว่างที่อยู่ที่นี่เนี่ยหลายคนก็คงจะตั้งใจว่าเนี่ยฉันจะนำเอาการภาวนานี่ไปสานต่อที่บ้านที่ทำงานบางคนก็องตั้งใจว่าเียต่อไปนี้ฉันจะทำวันละชั่วโมงหรือสองชั่วโมงเลยด้วยซ้ำ แต่ก็ต้องระมัดระวังนะเพราะว่าตอนที่เราตั้งใจว่าจะทำวันละชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยมันเป็นความตั้งใจที่เกิดจากการระหว่างที่อยู่วัดซึ่งมีเสียงแวดล้อมที่เกื้อกูลมีบรรยากาศที่อํำนวยไม่มีงานการที่จะมาแย่งเวลาของเราแต่พอเรากลับไป สู่โลกกว้างกลับไปสู่วิถีชีวิตเดิมๆเนี่ยมันก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มาแย่งเวลาแย่งความสนใจแย่งพลังของเราไปจะเป็นงานการก็ดีจะเป็นครอบครัวก็ดีหรือว่าเทคโนโลยีเช่นโทรศัพท์มือถือสิ่งเราที่เย้ายวน ความสนุกสนานความบันเทิงเพื่อนฝูงมันมีอะไรต่ออะไรมากมายที่จะดึงเวลาและความสนใจของเราออกไปจากการภาวนาทําให้เราอาจจะไม่ได้ทำสิ่งที่ตั้งใจไว้ก็ได้อันนี้ต้องระมัดระวังเพราะหลายคนพอตั้งปณิธานาไว้แล้วขณะที่อยู่วัดพอกลับไปก็ทำได้แค่ไม่กี่วัน แม้แต่คนที่บวชพระมาสามเดือนหรือบางทีเป็นปีเนี่ยก่อนสือก็ตั้งใจว่าฉันจะภาวนาเป็นนิดให้นะเป็นประจำหรือแม้กระทั่งฉันจะรักษาศีลห้าให้ครบแต่ว่าทำไปได้แค่เดือนสองเดือนนะก็กลับไปสู่วิธีเดิมที่เคยเป็นก่อนมาบวชใช้ชีวิตวุ่นวายนะจิตก็ว้าวุ่น แล้วก็อดไม่ได้ที่จะค่องแวะกับอาบายามุกนะเล่ายาอาจจะเป็นเพราะอ้างความจำเป็นในเรื่องการทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่พูดนี้เพื่อที่จะชี้เห็นว่าเนี่ยสิ่งที่เราตั้งใจว่าจะทำในปีใหม่แต่ความจริงก็มันก็จะมีอุปสรรคที่ทำให้เราทำงั้นไม่ได้ หรือทําให้เราพลาดท่าเสียทีจริงไม่ต้องดูอย่างอื่นไกลเลยนะแม่จะอยู่ห่างไกลจากผู้คนหรือสิ่งเล่าเนี่ยแต่ว่านิสัยเดิมๆเนี่ยเท่านี้มันก็แรงพอที่จะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถจะทําสิ่งใหม่ๆที่ดีขึ้นได้นิสัยความเคยชินเดิมๆเนี่ยมันมีพลังนะมันสามารถที่จะทําให้เรากลับไปทําแบบเดิม อย่างบางคนเนี่ยตั้งใจว่าจะนอนให้เร็วขึ้นจะตื่นให้เช้าขึ้นอแต่นิสัยที่นอนดึกตื่นสายเนี่ยมันยังรุนแรงอยู่ทําอย่างนั้นไปได้ไม่นานก็กลายเป็นคนนอนดึกตื่นสายเหมือนเดิมงั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็อระมัดระวังเอาไว้นะ แล้วก็หาทางที่จะป้องกันไม่ให้นิสัยเดิมๆก็ดีหรือว่าสิ่งเวล้อมเก่าๆก็ดีเนี่ยมันมาทำลายความตั้งใจของเราเราจะเริ่มต้นจากเริ่มต้นจากเล็กๆนะเช่นนะภาวนาวันละสิบนาทีไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะฉันก็จะ จะเริ่มสติในรูปแบบทุกเช้าถ้าเช้าวันไหนเนี่ยต้องไปทำกิจอื่นที่เร่งรีบนะก็จะหาเวลาชดเชยทำในเวลาอื่นนะให้ได้นะครบสิบนาทีถึงแม้ว่าสิบนาทีมันมันจะไม่มากนะแต่ว่าถ้าเริ่มต้นน้อยๆและทำทุกวันเนี่ยนันะมันดีกว่า เริ่มแต่น้อยนะแต่ทำทุกวันดีกว่าเริ่มเยอะๆนะแล้วก็ทำได้แค่ไม่กี่วันเพราะมันทายากสุดท้ายก็มีเหตุผลข้ออ้างต่างๆมากมายที่ทำให้ต้องเลิกนะนะสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้นะสิ่งเล็กๆน้อยๆนีอ่อย่าไปอย่าไปมองข้ามนะถ้าทำทุกวันนี่มันมีอา น, นิสงส์งมาก มีเรื่องเล่าว่า ม, มีชายคนหนึ่งพาเพื่อนไปกราบหลวงปู่นะไปกราบหลวงปู่แล้วก็บอกว่าเนี่ยไหนๆก็ามาแล้วก็ให้ถือศีลห้านะแล้วก็ทำสมาธิภาวนาด้วย ชายคนนั้นแกเป็นคนที่ติดเหล้าแกก็บอกว่าทำไม่ได้หรอกจะถือศีลได้ยังไงยังกินเหล้าอยู่เลยสมาธิฉันก็ทาไม่ได้หรอกหลวงปู่ท่านก็บอกว่าแกจะกินเหล้าก็เป็นเรื่องของแกนะข่าไม่ว่านะแต่ทาสมาธิให้ค่าสักห้าหนาทีก็พอละ ชายคนนั้นเนี่ยเห็นว่าเนี่ยห้านาทีนี่ไม่ไม่นานเลยนะก็เลยรับปากเนื่องจากอยาเป็นคนที่ทำตามที่พูดนะทุกวันก็นั่งสมาธิห้านาทีนั่งเสร็จก็ไปกินเหล้ากับเพื่อนทำางนี้เนี่ยทุกวันเลยแต่มีบางวันนะท่าที่นั่งสมาธิอยู่มีเพื่อนมาชวนไปกินเหล้า ก็ไม่ไปนะนั่งสมาธิเสร็จก่อนถึงค่อยไปหรือบางทีมาชวนไปกินเหล้าก่อนที่จะนั่งสมาธนะิแกก็บอกมันก็นั่งนั่งสมาธิก่อนแล้วค่อยไปกินเหล้าตอนหลังห้านาทีก็นั่งนานขึ้นเป็นสิบนาทีเพราะว่าทำรับใจสงบและสุดท้ายนี่นะก็กลายเป็นว่าเลิกเหล้าได้เพื่อนชวนก็ไม่ไปเพราะว่า ได้รับความสงบนะจากการทำสมาธิซึ่งก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะเป็นความสุขที่ดีกว่าการกินเหล้าหรือว่าการไปสังสรรค์กับเพื่อนคนเราก็ปรารถนาความสุขนะจากการกินเหล้าจากการสังสรรค์แต่พอพบว่าสุขจากสมาธินะดีกว่าก็หันมาทำสมาธิแทนและสุดท้ายก็บวชนะ นะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าของหลวงปู่ดูลนะซึ่งมันให้ข้อคิดที่ดีเลยไอ้นน็คว่ามเนี่ยสิ่งดีๆแม้ทำเล็กน้อยเนี่ยแต่ถ้าทำเป็นอา จ, จินนะก็มีอา น, นิสงส์มากคราวนี้เนี่ยเมือ่อไหนๆเมือ่อปีใหม่ก็เพิ่งเริ่มต้นเนี่ยนะ เราก็ควรที่จะตั้งใจทำอะไรดีๆที่ใหม่กว่าเดิมนะให้มันเรียกว่าหลายด้านหลายมุมหน่อยสิ่งดีๆที่มันมีคุณค่าต่อจิตใจของเราเนี่ยนะมันก็มีอยู่สามอย่างนะก็คือส่วนที่เกี่ยวกับกายส่วนที่เกี่ยวกับใจแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ เมื่อขึ้นปีใหม่แล้วเนี่ยสิ่งดีๆนะนะอย่างหนึ่งนะที่เราควรทำนะั่นก็คือว่า เ, เราจะทำสิ่งดีๆนะให้มากขึ้นที่ไม่เคยทำนั่นะก็จะทำทั้งในเรื่องของกายเรื่องของจิตเรื่องของความสัมพันธ์เอาแค่อคอย่างละทำดีนะ อย่างละประเภทก็แล้วกันนะะเช่นในส่วนที่เกี่ยวกับกายนะตั้งใจว่าจะคุมจะกินอาหารสุขภาพให้มากขึ้นหรือว่าออกกำลังกายให้มากขึ้นที่ไม่เคยทำเลยก็จะเริ่มทำแล้วไม่ไว่าจะเป็นการวิ่งออกกำลังกายการเล่นโยคะอันนี้เป็นส่วนของกายนะที่เราควร เริ่มทำํำนะหรือทําให้มากขึ้นในปีใหม่ในส่วนของใจนะก็เช่นว่าเนี่ยฉันจะสวดมนต์เป็นประจําละหรือว่าฉันจะนั่งสมาธินะเป็นประจําฉันจะเจริญสตินะทุกวันอันนี้คือเป็นส่วนเรื่องของใจนะในส่วนเรื่องความสัมพันธ์ในสิ่งดีๆที่น่าทํำก็อายางเช่น ฉันจะมีฉันจะเอื้อเฟื้อเกือรอกูลผู้คนให้มากขึ้นด้วยการให้ทานให้ทานทุกวันทุกอาทิตย์หรือทุกเดือนก็ได้หรือจะไปไปจิตอาสานะเดือนละครั้งเป็นต้นเนี่ยรวมทั้งความสัมพันธ์กับคนใกล้นะเช่นพ่อแม่บางทีไม่ค่อยมีเวลานะ ให้กับท่านเลยทั้งที่อยู่บ้านเดียวกันยิ่ยงอยู่ต่างจังหวัดด้วยแล้วนี่แทบจะเหินห่างไปเลยเราก็าตั้งใจปีใหม่เนี่้จะให้เวลากับพ่อแม่มากขึ้น่าท่านไปกินข้าวนอกบ้านเดือนละครั้งหรือว่าไปเยี่ยมท่านทุกอาทิตย์นะถ้าว่าท่านอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอย่างน้อยอไปเยี่ยมท่านเดือนละครั้งเนี่ย อันนี้คือสิ่งดีๆนะที่เราควรทำให้มากขึ้นหรือที่ไม่เคยทำก็ทำเลยสิ่งดีประเภทหนึ่งกนะ็คือการลดละลดละสิ่งที่มันบั่นทอนเป็นโทษต่อกายจิตแล้วก็ความสัมพันธ์เช่นอะไรบ้างนะในเรื่องของกายก็เช่นนะ่ะต่อไปนี้ฉันจะลดละการกินอาหารที่ มันทำร้ายร่างกายอาหารขยะนี่ฉันจะกินให้น้อยลงหรือว่าฉันจะลดของหวานลดอาหารเนื้อนะะเป็นต้นเนี่ยหรือว่าฉันจะลดเหล้านะลดกาแฟลดบุหรี่หรือเลิกไปเลยนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันบั่นทอนร่างกาย รวมทั้งการนอนตื่นสายนะฉันจะนอนให้ตื่นช้ามากขึ้นแล้วก็ขอนอนแต่หัวค่าไม่ไม่นอนดึกไม่ต้องทำทั้งหมดนะแค่ทำแค่อย่างเดียวก็พอเรื่องมาหนึ่งอย่างแล้วก็ทำให้มันได้ทุกวันหรือทำให้สม่ำเสมอในส่วนของจิตเนี่ยสิ่งที่ไม่ดีที่มันบั่นทอนจิตเราก็ ตั้งใจว่าจะทำให้น้อยลงหรือไม่ใช่แค่ลดแต่ละเลิกไปเลยอย่างเช่นติดโทรศัพท์เนี่ยติดหนังนะอันนี้มันก็บันทอนจิตนะติดโทรศัพท์มือถือหมดเวลาไปกับโซเชียลมีเดียซึ่งล้วนแล้วแต่มันทำให้เกิดพิษภัยหมักมมในจิตใจทำให้เกิดความโกรธความเครียดบางทีทำให้เกิดความโลภด้วย ฉันจะใช้เวลาโทรศัพท์มือถือให้น้อยลงส่วนทีบน่บันทอนความสัมพันธน์ฉันจะทำให้น้อยลงหรือว่าฉันจะลดละให้มากขึ้นเช่นความโกรธเนี่ยโกรธแล้วก็มักจะหลุดปากด่าคนแม้กระทั่งคนใกล้ตัวทาให้เขาเสียอกเสียใจแล้วตัวเองก็มาทุกข์ใจในภายหลังอีกทั้งทำให้ความสัมพันธ์ย่ำแย่ แล้วก็ตั้งใจวต่อวันนี้ฉันโกรธนี่ฉันก็จะไม่พูดหลุดปากออกไปฉันจะคุมปากนะฉันจะคุมวาจาให้ได้นะหรือถึงจะด่านะก็หลุดปากได้แค่วันละครั้งอย่างเงี้ยทําให้ได้นะนี่นถ้าหากว่าเราใช้ปีใหม่เนี่ยนะเป็นโอกาสดีสําหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ทั้งทำสิ่งดีที่ไม่เคยทำหรือทำอยู่แล้วให้มากขึ้นหรือว่าลดละสิ่งที่ไม่ดีหรือเลิกไปเลยไม่ว่าที่เกี่ยวกับเรื่องของกายเรื่องของจิตเรื่องความสัมพันธ์ทำดีสำหรับกายหนึ่งอย่างทำดีสำหรับจิตหนึ่งอย่างทำดีสำหรับความสัมพันธ์หนึ่งอย่างเราก็ลดละสิ่งที่บั่นทอนต่อ กายหนึ่งอย่างลดละสิ่งที่บันทอนต่อสิ่งที่บันทอนใจหนึ่งอย่างลดละสิ่งที่มันบันทอนทําลายความสัมพันธ์หนึ่งอย่างถ้าทาได้เท่านี้นี่ก็ทำมามากแล้วนะแต่ว่าถ้าให้มั่นใจก็เอ า, เอ า, เอ า, เอาสักแทนที่จะทําหลายอย่างพร้อมกันก็ทำสักหนึ่งอย่างแล้วก็ทำให้มันดีทําไม่ได้ทุกวันแล้วข้อสำคัคือว่าใหม่ๆนี่ก็จะเป็นเน้นคุณภาพนะต้องเอาปริมาณไว้ก่อน จะนั่งสมาธินะฉันจะนั่งสมาธิวันละสิบนาทีแค่ทำให้ได้ทุกวันนี้ก็ไม่ใช่ง่ายแล้วส่วนว่าทำสมาธิแล้วจิตมันจะมีสมาธิหรือว่าเจริญสติแล้วมันจะมีความสึกตัวต่อเนื่องหรือไม่ น, นั่นไม่ทีหลังบางคนเนี่ยนะตั้งเป้าสูงนะนอกจากเวลานั่งสมาธิก็ต้องสงบเลยนะไม่ให้ฟุง้ง หลายคนก็บอกบ่นว่า น, นั่งสมาธิห้านาทีทาไมมันยังฟุ้งอยู่แมมขนาดห้านาทีนี่แล้วพึ่งทำนี่จะม่ให้มันฟุ้งได้ยังไงบางคนตั้งเป้าว่านั่งสมาธินี่ต้องสงบพอไม่สงบพอฟุ้งทำได้ไม่นานก็ผิดหวังท้อแท้แล้วเกิดเลิกไปอันนี้เรียกว่าไปเอาคุณภาพเป็นหลักนะจริงต้อเอาปริมาณไว้ก่อนคุณภาพไว้ทีหลัง ไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายนะหรือว่าการนั่งสมาธิเอาปริมาณไว้ก่อนคือตั้งตั้งใจให้ได้ทําให้ได้ตามที่ตั้งใจนะจะเป็น10บนาทีสิบห้นาทีส่วนมันจะทําได้ดีหรือไม่นั้นเอาไว้ก่อนเพราะว่าถ้าทำบ่อยๆทำบ่อยๆมันจะดีขึ้นมาเองเหมือนกับที่เราตอนเขียนกอไก่ขอขาเนี่ยเขียนไม่เป็นตัวเลยตอนเด็กๆ แต่พอเราขีดพอเราเขียนทุกวันทุกวันเวละหลายครั้งสิบครั้งร้อยครั้งมันก็เริ่มเป็นตัวแล้วก็เริ่มสวยขึ้นงั้นถ้เราทํานี้ได้เนี่ยนะมันจะกลายเป็นวิถีไปนะของชีวิตรเราแม้ทําเพียงแค่อย่างเดียวนะแต่มันก็ส่งผลไปสู่สิ่งอื่นได้นะอย่างที่เรานึกไม่ถึงเช่นออกกำลังกายเนี่ยเขาเคยมีการทดลองนะเอาคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยหลายคนหลายสิบคนเนี่ย อายุตั้งแต่20ถึง60เนี่ยมาออกกำลังกายเป็นประจำเข้าคอร์สสองเดือนเพราะว่านอกอ่ากสุขภาพดีขึ้นแล้วเรื่องอื่นก็ดีขึ้นนะกินอาหารขยะน้อยลงนะติดโทรติดโทรทัศน์น้อยลงนะแล้วก็นอนหลับได้ดีขึ้นนะนอนเป็นเวลาและการเรียนก็ดีขึ้นนะการงานก็ได้ผลความเครียดหรือความซึมเศร้าเนี่ยก็น้อยลง มันน่าแปลกนะแค่ อ, อกากกำลังกายแทนที่ไม่เพียงแต่ร่างกายจะดีขึ้นเรื่องวิถีชีวิตก็ดีขึ้นด้วยนั้นถ้าเราทําสิ่งดีเนะี่ยแม่หนึ่งแม้เพียงหนึ่งอย่างนะมันก็เกิดผลต่อสิ่งอื่นได้ทําดีเรื่องของกายก็มีผลต่อจิตเรื่องต่อความสัมพันธ์ขอเพียงแต่ว่าทําทุกวันนะสม่ําเสมอฉะนั้นทำดีเพื่อหนึ่งอย่างนี่มันก็สามารถจะเปลี่ยนชีวิตเราได้นะแต่ขอให้การทําดีเรอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นวิถีใหม่ จริงๆนะทุกวันนี้เวลาพูดถึงวิธีใหม่เนี่ยเรามักจะมาถึงวิธีใหม่ที่มันจําเป็นหรือว่าที่ จ, จําใจต้องทําเพราะว่าสิ่งทีลเราบังคับเช่นโควิดเนี่ยแต่วิธีใหม่เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเกิดจากสิ่งเกิดจากสิ่งที่มีเกิดจากความจําใจหรือเกิดจากแรงกดดันจากภายนอกวิธีใหม่สามารถจะเกิด ข, ขึ้นจากความเต็มใจไม่ใช่จําใจเต็มใจ ที่จะทำสิ่งดีๆตามปณิธานของเราแล้วถ้าทำบ่อยๆจนมันกลายเป็นนิสยัยมันกลายเป็นวิถีใหม่ชีวิตใหม่ก็จะตามมานะเพราะอย่างที่บอกเนี่ยทำดีทา ด, ดีสิ่งหนึ่งหรือลดละเพียงสิ่งหนึ่งเนี่ยแม้เพียงแค่สิ่งเดียวเนี่ยมันก็สามารถที่จะ ก, ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีๆในด้านหรือของชีวิตเราได้ จากวิถีใหม่ก็กลายเป็นชีวิตใหม่ได้เหมือนกันนะถ้าว่าเราได้ทำสิ่งที่ตั้งใจไว้นะอย่างต่อเนื่องอชาญโยพเทนี้นะอากราบคระ